ب س ا الله ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين و ا ع ع و ا ن إلا على الظالمين و ص ل و و س ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إ ك ا ي ر و القرآن. สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเพียงผู้เดียวไม่ต้องว่าอ่านไปเข้าใจเข้าใจไปแล้วไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยอื่นเลยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งนบีอัลลอร์สุลสสะทตูตั้งแต่ต้น แต่คำภีรอุรอ่านพระดำรัสขอัลลอฮเนี่ยเข้าใจมนุษย์สามารถเข้าใจได้คนเียหรืออัลลอฮ์อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเ อ, องอัลลอฮ์ก็ส่งวัดะํารัสจะเป็นบทเดียวให้มนุษย์ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจเองก็ได้ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ก็สามารถทําได้ แล้วมันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่เราบอกว่าก็หมายถึงว่าเข้าใจเองนะแต่ลอสุภาโนวาตาละต้องการให้การเข้าใจกุรอ่านอันนี้อันนี้เราอยาเรียนว่าในกรณีที่อัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสมองเป็นของตัวเองถูกต้องไหมเราไม่ได้เกิดมาแล้วตอนเกิดมาพ่อแม่นี่ฝากซิมไว ฝากซอฟต์แวรว์มึงต้องโตเข้าใจต้องเข้าใจแบบปู่ย่าตายายแม่ง น, นเราก็จะเราก็จะเห็นว่าลูกหลานนี่ก็จะก็จะเป็นกอ๊อฟก๊อฟของปู่ย่าตายายอย่างเดียวแต่ทำไมบางทีปู่ย่าตาคิดอย่างหนึ่งลูกหลานก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งคนละคนแล้วคนก็มีสมองของตัวเองและทุกคนมีสมองของตัวเอง การที่จะเข้าใจพระธรรมของลัทธิพานุวารามันต้องมีความแตกต่างในพื้นที่ที่สมองของของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันความสามารถก็ไม่เท่ากความสามารถของสมองในการสะสมประสบการณ์ไม่เท่ากันคนที่เติบโตมามัต่อ่านหนังสือมัต่ศึกษาเรียนรู้กับครูบาอาจารย์แน่นอน สมองของเขาก็จะมีพื้นที่ของความรู้และประสบการณ์ขขความรู้มากกว่าค น, นที่เอาโมเดลเล่นเกมทั้งวันโมเดลเที่ยวทั้งวันทั้งคืนอาจจะอ่านบ้างแต่ความเข้าใจของคนนี้กับค ข, ของส่นนี้มันจะ ม, มันจะไม่เท่ากันแน่นอนเราต้องการให้เราได้มีมาตรฐานในความเข้าใจพุทธาและมาตรฐานในความเข้าใจพุทธานมันก็จะต้องให้มีเหลง่ง แหล่งนี้เราก็แน่นอนต้นตอของการประทานลงมาของคุรตานี้ก็คือศาสนทูที่อัลลอฮฺได้ส่งคุตตานาแสดงว่าตอนที่นบีมีชีวิตอยู่สฮามบะจะเข้าใจคุรตานให้แม่นที่สุดเนี่ยก็ทมท่านนะพี่สัลลอฮัะไอในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจและในสิ่งที่เขาเข้าใจเอง แล้ไม่ได้ถามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยซูละมมีมีและส่วนมากเนี่ยเป็นความเป็นความเข้าใจที่สอดคล้องกันใครที่อ่าซอบะไม่ได้รับคําชี้นาจากท่านนบีว่าตรงเขาจะแบบนี้นะแต่พวกกวดวิที์เขาเข้าใจเองนะมันเข้าจะสอดคล้องกันส่วนมากเข้าจะสอดคล้องกันเพราะมาตรฐานภาษาอาหรับของเขาเนี่ยเท่าเทียมกันเขาเป็นเป็นคนอาหรับแล้วก็อ่านถตประทานด้วยภาษาอาหรับ และความสามารถด้านภาษารับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากอาหรับนี่ใครใครๆนี่ก็แต่งกรได้ไอคนที่แต่งกรไม่ได้เข้าใจกรอันนี้พื้นฐานอ่งใ น, นความสามารถด่านภาษารับนีค่อนข้างเท่าเทียมกันแต่ใเวลาเข้าใจกันส่วนมากก็สอดคล้องและมีไหมที่เขาเข้าใจเองแล้วกับบางทีก็ไม่สอดคล้องกันมี แต่พรากฏว่าความแตกต่างในความเข้าใจนั้นๆะที่เขาเข้าใจไม่ตรงกันหรือไม่สอดคล้องกันนะนะความแตกต่างกันตรงนั้นน่มันไม่ได้เป็นความแตกต่างที่ทำให้ความหมายมันชนกันอย่างสิ้นเชิงหมายถึงมันเป็นความหมายที่เละไปเลยนะไม่ใช่เป็นความหมายที่ใกลเคียงกันซึ่งความหลากหลายในด้านความหมายเนี่ยมันจะเพิ่มความสวยงามมากกว่าที่จะสร้างความสับสน ความสวยงามของความหลากหลายความเข้าใจนะมันจะเกิดจากการที่แต่ละคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานให้มากที่สุดฉะนั้นสหภาพไม่มีหรอกที่เขาจะขัดแย้งกันในเรื่องที่มันตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงตรงข้ามกันแบบแบบจะอยู่ในแนวเดียวกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่มีในยุค ข, ของสหภาพแม้กระทั่งของยุค ยุคตะวินและเละที่ผมที่ผมได้พูดเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะอธิบายอายะที่หนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยเพราะมันมีเรื่องสมคัญมากเกี่ยวกับอายะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกับหนึ่งร้อสิบสองที่น่าสนใจมากอยากให้พวกเราได้มีสมาธิเพิ่มเพิ่มสมาธินิดนึงมีแหละทุกครั้งี่มีสมาธิอยู่แล้วแต่ว่านี้เพิ่มนิดนึง เพราะมีเรื่องที่น่าสนใจมากจำได้มามอายาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยโลสุภานวาตาละได้พูดถึงสัญญาซื้อขายระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทั้งหลายที่อยากจะเข้าสวรรค์เราบอกว่าซื้อแล้วนะชีวิตของพวกเจ้าทรัพย์สินของพวกเจ้าเราซื้อแล้วนะโดยที่เราไม่ลืมนะว่าทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของเราก็ล้วนเป็นกรรมสิอง Allah อยู่แล้ว ต้องเรามาทบทวนทบทวนกรรมสิทธิ์นี้ตอนที่มีทุกคนเนี่ยเสียชีวิตเราเร า, เราจะมาทบทวนเองอินนาลิลลาฮิวอินน่าอิิรอูพวกเราทั้งปวงเนี่ยอินนาพวกเราทั้งทั้งหมดลิลลาฮิเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah. อัลลอฮแล้วทำไมมาทบทวนตอนตายล่ะเพราะมันชัด มันชัดแต่เดกฮะกู่าพ่ออยู่เมืองไทยแม่อยู่สงกนญแจแม่อยู่อินเดียแล้วกับลูกลูกทิ้งพ่อไปหาแม่จากกันแล้วนะเขาก็บ่าวเขาก็พูดได้นะอินนาลิลลยฮนะ้ยเนยลูกทิ้งพ่อแล้วแต่มันไม่ชัดไงทิ้งพ่อไปหาแม่เพราะทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็เป็นเจ้าของลูกเหมือนกันแต่มันมันไม่ชัดนะ แต่ที่มันชัดที่สุดกรรมสิทธิ์มันชัดที่สุดตายเพราะตอนตายแล้วเนี่ยกลับไปหาใครอ่ะเจ้าของแท้เจ้าของที่แท้จริงอัลลอฮฺบอกว่าซื้อแล้วนะชีวิตของพวกเจ้าแต่เราเราต้องเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราเราจะคิดจะทําอะไรกันเวลาก็ไม่ใช่ของเราคิดจะใช้เวลาไงกันได เราต้องพยายามบริหารชีวิตทรัพย์สิสนเวลาทรัพยากรทั้งหมดเนยที่เรามีเนี่ในตัวเราในบริเวณเราเนี่ยทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ให้อัลลอฮฺสุภาอุตาละพอพะไทยให้มากที่สุดสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้ตอบแทนนี่ก็คือสวรรค์แสดงว่าทํายังไงได้ครับสวรรค์เอายอมรับในข้อตกลงนี้ ชีวิตของเราที่เราสรุปสรุปแล้วนี่ชีวิตของเราทรัพย์สินของเราเนี่ถาวายอัลลอฮฺสุบฮานาถาวายอุลมานี่บอกว่าวถาวายจริงก็คือทำในสิ่งที่พระองค์บัญชาไว้ในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งกรณีกรณีหนึง่งแล้วทรัพย์สินและชีวิตของเขาเนยสูญเสียเพื่ออัลลอจริงๆนะต่อันนั้นนะ่ะคือ อันนั้นแหะคือถวายจริงอ่ะเราเรากําลังทํางานศาสนาอย่างเช่นกําลังเดินทางจะไปดาวะแล้วเสียชีวิตอันนั้นเราถวายรู้ไหมว่าที่ไปนี่อาจจะตายเนี่ยรูนะ้เรากําลังจะจีหะต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์รู้ไหมว่าที่จะตายนี่จะตายเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยรู้แล้วก็ตายอันนี้อันนี้เนี่ยถวายจริงหรือทรัพย์สิน ยกทรัพย์สินในหุนด่างอลรู้ไหมว่านี่สูญเสียเพื่ออารมณ์รู้และสูญเสียจริงอันนี้เก็รียกว่าก็เรียกว่าบิลฟลหมายถึงว่าถวายถวายชีวิตและทรัพย์สินด้วยการกระทำทาจริงทำให้เห็นนะมีคืกว่าอัลเฮัดุบิลกูวา j ิฮ a d ที่เราต่อสู้ดิ้นรนและถวายชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยจริงทําจริงแต่ทําด้วยความพร้อมความพร้อมเพียงไม่ได้ทําจริงนะแต่มีความพร้อมพร้อมที่จะถวายชีวิตพร้อมที่จะถวายทรัพย์สินทุกเมื่อและความจริงใจ แล้วความจริงใจของความพร้อมนี่นะมันจะพิสูจน์ได้ว่าถ้าว่าเกิดขึ้นจริงเนะี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะเราแล้ใครจะรู้ละ่ะอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดังนั้นเราจะพูดเราจริงใจเราเราพร้อมที่จะจะก็พูดไปเถอะแต่อัลลอฮ์เนี่ยจะพิสูจน์ด้วยความสามารถของพระองค์ท่านในการที่จะรู้ความจริงใจเหมือน สงครามครั้งหนึ่งที่สฮาบะท่านหนึ่งได้สู้รบ ก, กับท่านนาบีแล้วก็เกิดทรัพย์เฉลยมากมายในเหตุการณ์นั้นท่านนาบีก็แบ่งทรัพย์เฉลยให้สฮาบะคนนั้นพอสฮะบะคนนั้นมาท่านเลยออันนี้อันนี้คือหุ้นส่วนของทรัพย์เฉลยของท่านสฮาบะท่านนี้อยู่กับมั้ยเอ ข้าพเจ้าไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้รับอิสลามและไม่ได้จับมือสตียบันท่านนบีเพื่อทรัพย์สมบัติแห่งโลกดุนยานี้แต่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะรับอิสลามตั้งใจที่จะรับอิสลามและก็ปฏิบัติตามบัญชาขององค์สุภานุวทานเพื่อสักวันหนึ่งเผื่อสักวันหนึ่งมีธนูได้ทะลุเข้าตรงนี้ แล้วเขาชี้เอานิ้วนี่มาชี้ใต้ลูกกระเดื่องนี่มาทะลุตรงนี้แล้วออกจากตรงนี้ออกจากต้นคอด้านหลังแล้วก็ออกจากตรงนี้แล้วข้าพเจ้าก็เสียชีวิตในหนทางอัลรอดมาขาวสวรค์ตามข้อตกลงนี้ตามข้อตกลงถี่น บ, บีก็ไม่ไดีว่ามน บ, น บ, บีก็ไม่ได้ขยันขยาะคือคนคนพวกนี้นี่เขา เขามีคือเขาจะมีสเปคชีวิตของเขาอ่ะน บ, บีเม่น บ, บีเอาเทอนาเอ า, ทาเทอาเไ ป, เ อ, ไปเอาไปก่อนเอาไปก่อน <c oughs> มันไม่กับพวกนี้เนี่ยไม่มีเวลาที่จะมานั่งต่อรองหรือมาอะไรคือเขาแล้วนบีก็ดูออกไงดูออกน บ, บีก็ประโยคเดียวนบีบอกว่าอินตะศดุกิลละฮะยะศดุกตะเจ้าพูดจริง ถ้าเจ้าพูดจริงอัลลอฮ์ก็จะจริงกับท่านถ้าเจ้าถ้าท่านจริงจังหรือจริงใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงจังกับท่านจริงใจกับอัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์สนองสิ่งที่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความสัตจริงนสงครามถัดมาน บ, บีถามถึงสอฮาบะท่านนี้อยู่ไหนสอฮาบะ ได้ตอบท่านนาบิบอกว่าแกเสียชีวิตแล้วในสงครามนะบิบกข็ขอดูขอดูศพหน่ก็ได้พบธนูทนลุกเข้าจุดที่ตัวเอง จ, จุดนั้นเลยธลุจุดที่เขาได้ชี้ต่อหน้าท่านนลยและก็ความที่มันมันมันเข้าในจุดนั้นนะ่ะมันแสดงถึงความจริงใจเนี่ยเพราะท่านบีบอกว่าถ้าพูดจริงนะ มันจะเป็นตามนั้นเลยอัลลอฮ์ะจะให้มันเกิดขึ้นตามนั้นเลยอันนี้อันนี้มันพิสูจน์ความพร้อมจะเกิดตุการณ์ที่มันอธิบายความพร้อมตอนที่เขาบอกกับท่านเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ตายไงยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถวายชีวิตเนี่ยแต่ตอนนั้นนะเขาบอกว่าฉันชีวิตของฉันนี่ฉันทำใจละ ที่ฉันรับอิสลามฉันอยากจะแบบนี้อยากจะอยากจะเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าฉันได้มีโอกาสนะฉันนะนี่ก็เรียกอิจฮัตุบิลกุรอหมุสลิมทุกคนมีความพร้อมความพร้อมเพียงของเขาอะนะมันอาจจะไม่ได้เกิดโอกาสที่จะพิสูจน์ความพร้อมของเขาเหมือนซาฮาบะคนนี้ เราสามารถพูดเหมือนสาวบ้าคนนี้เนี่ยโาบฉันอยากจะต่อสู้ในถวายชีวิตของฉันทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเนี่ยถ้าฉันได้มีโอกาสมีทรัพย์สินมากมายฉันจะถวายทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย oh. เพื่อรอถ้าฉันได้มีโอกาสเยอะในาทางออนไลน์ฉันอยากจะถวายชีวิตเพื่อรออันนี้คือยังเป็นคําอ้างถึงจะมีเจตนาว่าเราอยากจะแสดงความพร้อมก็ตาม แต่มันยังเป็นคงยังเป็นคำอ้างแต่สำหรับอเลสสฮารรมดาแล้วใหม่สำหรับอเลสนี่คำอ้างเนี่ยมันอาจจะมีค่ามันอาจจะมีค่าเท่ากับการกระทำถ้าอเลสทรงรู้ความพร้อมและความสั์จริงของเราถึงที่สุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ ถวายชีวิตจริงไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิแต่เราจริงใจในการที่จะถวายชีวิตของเราจริงๆแต่สรุปแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตในในสมรภูมิเสียชีวิตบนเตียงนอนติดเตียงป่วยเราก็ไม่พ้นเราจะไม่พ้นผ ล, ลบุญของงานนั้นๆที่เราได้เจตนาธรรม อันนี้มีตัวบทชัดเจนตัวบทย่งตรงไปตรงมาไม่ต้องตีความอะไรไม่ต้องเอไปเข้าใจทางอ้อมไม่ต้องรวบรวมหลักฐานมาประกอบไม่มีตัวบท ต, ตรงเลยในบันทึกของอิ ม, ม่ามบุฮเรีท่านน บ, บีสุลลัลลอฮุวาลลอฮิซัลลัมได้บอกว่ามันหําแบบพัสสนตินผู้ใดที่ตั้งใจทําความดีอย่างหนึง่งวงเล็บอย่างหนึงง่งออะไรก็ได้นะ ตั้งใจจะละหมาดตั้งใจถือสนุตตั้งใจบริจาคตั้งใ จ, จยิหาตส้งไปเลยลัมแลาวมลาแล้วไม่ได้ทำความดีนั้นนั้นแต่ตั้งใจตั้งใจไปแล้วนะแฝมแล้วมามล้แล้วไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ทำด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่เขาตั้งใจอยู่แล้ว กุติบัละหุ Hassan อย่างน้อยเนก็ได้ผละบุญหนึ่งคะแนนของความดีนั้นๆซึ่งแน่นอนก็ต้องต่างจากคนดีเขาตั้งใจละทำเขาตั้งใจจีฮัดแล้วก็ไปจีฮัดจริงนั่นน่ะท่านนบีก็บอกใน hadis เรียกันนี่แหละมันฮัมบิฮัซานตฟะอามีเลฮากุติบัละหุุฮซนติลาดิฟ คนนี้ตั้งใจทําความดีแล้วทํามันทําความดีนั้นๆน่ะ น, นะในผลละบุญสิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่าแต่อีคนนี้ตั้งใจอย่างเดียวอะนะก็ก็กยังยังมีส่วนยังมีหุ้นส่วนจากสิบเท่าหรือจากเจ็ดร้อยเท่านี่มีหนึ่งคะแนนเออก็ก็ไม่เ ม, ม่คนไทยเขาก็ไม่เลวนี่ <laughs> ก็ไม่เลวนี่ อย่างน้อยนะอย่างน้อยนาะในวันกียรมานี่ก็เออ น, นี่พวกมุจฮิดีนอยู่ตรงนี้แล้วก็นี้แหละอันนี้พวกที่ตั้งใจจีฮานะะนะทั้งา ว, าวัน ท, นทั้ง ค, คือยู่ด้วยกันอย่างน้อยนะก็เออยู่ด้วยกันพวกทีกท่ถวายชีวิตแต่ละพว ก, กนี้เราไม่เห็นถวายชีวิตเลยอันนี้เขาตั้งใจถวายชีวิตเบื้องหลังนี่ก็ก็ได้ก็ได้อยู่พักพวกเดียวกันและนี่คือหล หลักเกณฑ์ของความดีทุกประการที่ถูกระบุในกุรานละฮะดีษเราจะสังเกตในคุรานละหะดีษอัลลพูดถึงความดีและพูดถึงผลละบุญไม่ดีหมายรวมว่าคนที่จะทาความดีนั้นน่นน่ะเขาจะได้ผลละบุญของความดีนั้นเท่าเทียมกันมันเป็นไปไม่ได้เอาเช่นอินดานุตถิยินฟีดลลาลิวะอุยูนฟ و ن ิฮ์มุสุ كانوا ق ل ي ل ا من الليل ما يرجعون ฮุยมกริ่งอัลลอฮเนี่ยที่เขาจะาเขาสวรรค์ท่าทมาเลย كانوا ق ل ي ل ا من الليل ما يرجعون แปลวด้สงสองค่ำ كانوا ق ل ي ل ا من الليل พุมุตกีนเนี่ยกุยมกร่งอัลลอ์เนี่ย كانوا ق ل ي ل ا من الليل ما يرجعون ส่วนน้อยของกลางคืนนี้นะก็ไม่พักผ่อน แสดงว่าไม่ได้พักผ่อนกัางคืนทํำอะไรละหมาดกลางคืนอีกความหมายหนึ่งก็หนูกาลีและมิเนลัยลิมมาญาเจวส่วนน้อยของกลางคืนเท่านั้นนะ่ะที่เขาจะพักผ่อนแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยเขาจะละหมาดตีความได้ทั้งสงองเพราะตัวมาเนี่ยกาลีและมิเนลัยลมามานี่ยแปลว่าปฏิเสธหรือมานี่ยแปลว่าซึ่งจึงได้ที่มาได้สองความ เขาส่วนน้อยที่จะพักผ่อนในกลางคืนและส่วนอื่นนี่เขาจะละหมาดทั้งคืนหรือส่วนน้อยก็ไม่ได้พักผ่อนการแสดงว่าละหมาดทั้งคืนดูนี่แม้กระทั่งคนที่เขาละหมาดกลางคืนและจะเป็นชาวสวรรค์ได้รางวัลที่อัลลอฮฺได้กําหนดไว้อะนะแน่นอนคนที่เขาละหมาดกลางคืนนี่ไม่เท่าเทียมกันมีคนที่ละหมาดทั้งคืนมีคนที่ละหมาด ส่วนมากของกลางคืนมีคนที่ละหมาดส่วนน้อยของกลางคืนมีคนนี่ละหมาดของกลางคืนด้วยความใจบุญหัวนับว่าเป็นคนที่ละหมาดค่ำคืนแต่เขาไม่ได้ละหมาดค่ำคืนนับนับนะเป็นคนที่ละหมาดเกียมุลเลนแต่เขาไม่ได้ละหมาดเกียรมุลเลนยังไงมีใครรู้ไหม ฮะละมาได้ไรอิชากับซบโอถูกต้องละมาอิชาที่มาสิ่กับจะมาะกระทั่งละมาดครึ่งหนึ่งของกลางคืนอันนี้ก็ละมาท์ก็คุกมันก็ด้วยใจบุญห่อเนี่ก็นับนับว่าเป็นละมาทถ้าละมาท์อิชาก็ครึ่งหนึ่งละมาท์ซูโบก็ครึ่งหนึ่งนี่ถ้าเราละมาท์ถ้าเราละมาด์เกียวมุลเรียดด้วยนะก็แสดงว่าเท่ากับคืนเดียวเราละมาท สองคืนเท่ากันไ่มคนที่ละหมาดกันคืนก็ไม่เท่ากันเขาเข้าสวรรค์ก็เข้าสวรรค์แต่รางวัลสวรรค์นี่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วความดีก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันคนที่จีรพัคนที่ถวายชีวิตและทรัพย์สินคนที่จริงจังร้อยเปอร์ซกับคนที่จริงจังห้าสิบเปอร์ซนหรืออาจจะไม่ถึง แน่นอนมันก็มีมันก็มีแบบและผลและบนมันก็จะมันก็จะมันก็จะเลื่อมล้ำแบบนี้เพราะมันไม่เท่ากันแน่นอนการพยายามความเรามาละหมาดิชากันเนี่ยโคชัวของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนแน่นอนใครรู้ละ Allahu นี่อะแรกนี่อัลลอฮ์ได้พูดถึงคุณสมบัติเดียวของคนที่ทาข้อตกลงกับอัลลอฮ์ในการเข้าสวรรค์นี่ก็คือถวายชีวิตและทรัพย์สินอินนัลลอฮ์อัจจะรอมิเนลมุมินีนับุมะมล ي ن ัลหุมุลจันน่าเรื่องเดียวก็คือถวายชีวิตและทรัพย์สินแต่อายะถัดมานี่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตะละะดบุอิ كُنَّا سُبَّاتَ الْعَبَادَةِ الْعَامِدُونَ الْحَامِدُونَ ا ل س َّ ا ئ ِ ح ُ و ن ا ل ر َّ ا ق ِ م ُ و ن السَّاجِدُونَ الْأَمِيرُونَ ب ا ل ْ م َ ع ر ُ و ف وَالنَّاهُونَ ع ن ا ل ْ م ن ك ر ِ و َ ا ل ح ا ف ِ ظ ُ و ن َ ل ِ ح ُ د و د ِ ا ل ل َ ه و ب ش ِ ر ا ل م ؤ م ن ي ن َ อายะนี้ถัดมาจากอายะแรกเนี่ยที่อัลลอฮฺได้พูดถึงว่าอัลลอฮฺได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาโดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาจะต่อสู้ในหนทางอัลลอฮฺนี่คือสิ่งที่เราต้องถวายต่อสู้ในหนทางอัลลอฮฺและพวกเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่า สิ่งที่เราต้องถวายคือชีวิตและก็ทรัพย์สมบัติของเราสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือสวรรค์นี่คุณลักษณะแรกคุณในลักษณะของคนที่ถวายชีวิตและทรัพย์ ส, สมบัติของเขาเนี่ยถัดมานี่ก็คืออัตตาอิบูนลอาบิดูนรอดนี่คือทศนะหนึนห่งของผู้อธิบายอัลกุรอานเขาบอกว่าคุณลักษณะนี้มันก็คือความต่อเนื่องของคุณลักษณะ คนที่อัลลอ์ได้ทำข้อตกลงกับเขาให้เข้าวสวสรรค์แสดงว่าถ้าจะเข้าวสวรรค์ น, นี่นะคนที่จะถวายทรัพย์ ส, บสมบัติและชีวิตของเขาเนี่ยอย่างเดียวอะนะไม่พอจะต้องทาอะไรกนต้องทาพวกนี้ด้วยเดยจะอธิบายอัตตนลาินลามินัยนอรานัินอลอามนต้องทำพวกนี้ด้ว ย, ย, อ, ย, ون, อ, ววยอยู่ในข้อตกลงมันก็จะทำให้ข้อตกลงนี้ยิ่ง ยิ่งอะไรยิ่งยากใช่ไม่มข้อปฏิบัติมันก็เพิ่มสิแต่ถ้าหากว่าข้อตกลงนี่มีแค่ถวายทรัพย์สมบัติและชีวิตมันก็ถือว่าข้อตกลงถ้าทําแล้วแล้วก็เรื่องนี้ถ้าไม่มีล่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าสวรรค์เหมือนกันถึงแม้ว่าเราได้ทําข้อตกลงเดียวถ้าอายะที่หนึ่งร้ยสิบเอ็ดเนี่ย เราได้ตีความว่ามีข้อตกลงเดียวในเรื่องสัญญาซื้อขายระหว่างอมนอกับผู้สัตา์นี่จะมีข้อตกลงเดียวนะก็อันนี้ก็ถือว่าได้เข้าสวาสารรค์ทศนาอุลมาส่วนมากได้บอกว่าสองอาย่านี้ไม่เกี่ยวกันก็หมายมตงว่าข้อตกลงนี้เอกเทศถาวายชีวิตและทัพสมบัติอย่างเดียวนี่นะเพียงพอ เพียงพอที่จะให้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าข้ออื่นเนี่ยไม่ปฏิบัติซึ่งจะสังเกตว่าข้ออื่นนั้นนะ่ะมันไม่ได้ชัดในเงื่อนไขหลักของความเป็นมุสลิมแต่มันเป็นคุณลักษณะเพิ่มเติมเรียกว่าคุณงามความดีภาคอาสาแต่เรื่องหลักๆ ของความเป็นมุสลิมความเป็นผู้ศรัทธาเนี่อันนี้แน่นอนต้องมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าถวายชีวิตและทรัพย์สมบัติแต่เป็นบุญาฟิกแต่เป็นผู้ปฏิสัทธาอันนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เราจึงเข้าใจโดยปริญาที่มาที่ามันมีข้อตกลงแฝงอยู่ที่เราต้องมีอยู่แล้วต้องพึงมีอยู่แล้วตรงไม่ทาชิริกอันนี้แน่นอนไหอันนี้แน่นอนเพราะ อายะอื่นๆนี่ไปบอกไว้แล้วว่าคนที่ทำชิริกนี่อัลลอ์ไม่ให้อภัยเลยถึงแม้จะทำอะไรก็ต้องไม่เป็นมุนาฟิกเพราะในสุรัตอัตเตบ้านนี่ก็เคยบอกว่ามุนาฟิกนี่ทีก่อ j i า a แล้วก็สุดท้ายนี่กัฟารูบิลลาฮิวะรัูลีอัลลอฮีรัที่เขบปฏิเสธพวกมุนาฟิกนี่ยขบปิเสต่ออัลลอฮ์และรัสูลของเราแต่พอมาดูคุณลักษณะอื่นๆเนี่ย มีอะไรบ้างอัตตาอิบูลไม่ใช่หัลองรอนนะบรรดาผู้กลับเนื <month paradise> in <itud ine> ้อ <cé> ก <us> ับตัวอ <alah cử effective competitors> ัตตาอิบูลคำว่าแทบในภาษาอัหกฤษเนี่ยเป็นว่ากลับอันนี้ถทาตีความที่สอดคล้องกับความหมายภาษาไทยเนี่กลับเนื้อกลับตัวก็คือกลับเนื้อกลับตัวห่างออกจากความชั่ว สู่ความดีอันนี้สอดคล้องกันระหว่างภาษาดับกับภาษาสอดคล้องกันเด็ดๆเลยกลับตัวเอาคนนี้เขากลับตัวกลับตัวก็หมายถึงว่าทิ้งละความชั่วแล้วก็กลับมาเป็นคนดีจึงทําให้ต้องเข้าใจว่าแสดงว่ามาตุภูมิของผู้ศรัทธานี่คือความดีใช่ไหมเราเกิดสงขาแล้วมาเรียนชั่วคราวที่กรุงเทพ เขาจะไม่พูดหเอาผมกลับกรุงเทพต่คนสงขาเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าผมกลับกรุงเทพถูกต้องปะไปกรุงเทพเดินทางไปแวะไปอะไรเงี้ยแต่ใช้กลับนี่กลับนี่นหมาถึงว่ากลับมาตุภุ่มต้องต้องต้อ ง, องบ้านเกิดหรือบ้านที่เขาจะอยู่ตลอดชีวิตหรือบ้านที่เขาอยู่ทาวน์น่ะที่เป็นรู้กันอะนี่บ้านเขาไม่ใช่ไม่ใช่บ้านชั่วคราวคำว่ากลับ ถ้าเรากลับกลับตัวคือกลับไปสู่ความนีแสดงว่าความดีของผู้ศรัทธาคือมาตูภูมิของเขาพี่เดิมของเขาจึงกลับดันั้นสําหรับมนุษย์ทุกคนนี่นะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าไอ้ที่เขาทำความชั่วเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําความชั่วตลอดชีวิตนะถ้าเทียบแล้วกับคนที่มีบ้านอยู่ ตลอดชีวิตนั้นน่ะมันก็มันก็เป็นมาตุภูมิแล้วสิแต่สําหรับอัลนอหนีก็ยังถือว่าคนที่ทําความช่วตลอดชีวิตเนี่ยก็ยังยังมีมาตุภูมิของเขามาตุภูมิเดิมของเข า, า, เขเขาก็คือความดีไอคนที่ตลอดชีวิตได้ทําความช่วยวันหนึ่งวันใดนี่คิดคิดที่จะเลิกทําความช่วแล้วก็ไปทําความดีนะก็ถือก็เรียกว่ากลับ กลับใช้กลับเหมือนกันนะกับไปเขาเขาอาจจะไม่เคยทาความดีมาก่อนเหมือนฮะดีษฮะดีษอุลามะเขาเรียกว่าซาฮิบุลบิทาเจ้าของนามบัตบิทานามบัตรเง้ยแหละะดีษนามบัตหะดีษมันดกัยบุคลรีรืมุสลิมวันกี่ยมานี ชายคนหนึ่งชายในตรงนี้ในคดีศรีในใุรขานนี้ก็หมายถึงว่ามนุษย์คนหนึ่งอาจจะเป็นหญิงก็ไดนะ้ชายคนหนึ่งเราจะเรียกต่อหน้าอัลอชาชฮะต่อหน้ามนุษยชาติทั้งหลายเอาความดีของเขาเอาความชั่วของเขานี่มาชั่งบนตาชั่งตาชั่งวันเกียร์มาเนี่มีสองตานะ่ะไม่ใช่ตาชั่งดิจิตอลนะในคดี อยู่ในหลักศรัทธานะที่เราต้องเชื่อนะเดี๋ยวเราบอกว่าอ๋อแบบนี้มันเชื่อก็ตาชั่งจะหมายถึง่มือ น, นจึงดิจิตอลก็ได้นี่มันไม่ในฮะดีสบอกว่ามีสองตราเนี่ยมีสองข้างข้างหนึ่งชั่งความดีชัางอันแรกนี่ก็เอาความชัวม่วเอาความชัม่นในฮะดีษนี่ท่านนาบีบอกว่าใชายคนเนี้ย แล้วไม่ยอมทำ خير ันก็ตุเขาไม่ได้ทำความดีเลยก็ตุแบบว่าโดยเด็ดขาดพอความชั่วมาเนี่ยแน่นอนข้างหนึ่งของตาช่งนี่มันก็ซุดไปเลยดิฮะอีกข้างหนึ่งความดีนี่ไม่มีอะไรเลยก็ตัวไม่มีความดีเลยอราบอกว่าเดียวก่อนวันนี้ไม่มีใครที่จะ ถูก ظلم ถูกอธรรมแม้แต่ละองทุลีเนอายะในคุรานอินละอัลยิ่ลิมุมิสกาลละ ذر ์ฟยุกตาบิบตาขต่อความชั่วที่ถูกวางบนตาชั่งแล้วก็มันซุดไปเลยนะข้างนึงมันซุดไปเลยนะอัลลอฮ์ก็จะนามาซึ่งกระดาษกระดาษชิ้นนึงชิ้นเล็ก ถึงเรียกว่าบิทตกับิทตกัไปว่ากระดาษชิ้นเล็กนะแต่บิทตกันนี่ในภาษาปัจจุบันนี่เขาเรียกว่านามบัตรเวลาให้นามอันนี้เขาเรียกบิทบตอก็ขนาดขนาดของเนี่ยขนาดของบัตรประชาชนนั่นเลยเนี่ยบิทตก็พอวางแล้วเนี่ยบิทตก็นี่นามบัตรนี่พอวางแล้วเนี่ยบนตาช่างข้างที่จะช่างความดีนะปรากฏว่า มันสุดลงแล้วก็ทําให้ความชั่วที่อยู่ข้างนี่เนี่ยมันกระเด็นกระเด็นนะถึงคือมันหนักถึงขนาดที่นึกออกมาเคยยุคนี้เนี่ยเขาไม่ทันหรอกตาช่างสองข้างอ่ะไม่ทนันอ่ะเคยเห็นไหมไปตลาดเนี่ยนะตลาดนั่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยกุ้งอ่ะเขาใช้ดิจิตอลนี่ยนะกุ้งอนะ่ะเขาช่ง <c oughs> างกระเด็นเลยนะพอวางไปตากอนนี้ไอ้ความชั่วนี่ปิ้วกระเด็นเลย บ ب ط ا กนี i มีอะไรลาอิลาอัลลอฮแสดงว่าลาอิลาอัลลอฮฺเป็นความดีและเนื่องจากว่าบางทีเราทำความดีอย่างนึงแต่เรามองข้ามคุณค่าของมันนะถึงในฮะดีซท่านนาบีพูดถึงสำนวนเจ้านายของอิสติลฟาร เจ้านายของสำนวนของบทที่เราขอไปต่อต่อลอเนี่ยในสำนวนนี่มีลาห์มันตอร์บีลลอิละอิละต้องมีอัสการยามชาวยามเยนเนี่ยนบีคำชบาบอกต้องกล่าวนะเพราะมันมีละอิละให้ต้ทำความชั่วทั้งชีวิตไม่มีความดีเลยแต่ได้กลับเนื้อกลับตัวและถ้ากลับเนื้อกลับตัว บ้านไปชีวิตก่อนที่วิญญาณจะออกจากลูกกระเดืองที่ออกจากลง ก, กอนที่จะออกแากร่างกันนะอมโนก็ยังรับยังถือว่ากับเนื้อกับตัวได้เหมือนฮะดีสที่บันทึกโดยบุคฮอรีและมุสลิมของคนที่ท่านนาบีเล่า ว, ว่าเป็นฆาตกรร้อยชีวิตและตายระหว่างสองเมืองเมืองความชั่วและกับเมืองความดีคืบเดียว แต่ความหมายของอัตตาอิบูลเนี่ยสำหรับในศาสนาอิสลามและสําหรับภาษาอับเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าทิ้งความชั่วเพราะเราบอกว่าเออมาดุภูมิของผู้ศรัทธานี่คือความดีถ้าเราทิ้งความชั่วไปความดีกันนี่กลับเนี่ ย, ก ล, ยกลับไปสู่ความดีดั้งเดิมของเราแต่สําหรับอิสลามนี่มันมี มันมีการกลับที่เหนือกว่านั้นคือคนนี้ก็ทําความดีอยู่ดีนะแต่นี้อดีตเนี่ยเขาเคยทําความดีที่มีตําแหน่งเหนือกว่าทำทำความดีที่มันสูงส่งแล้วเขาลดลดเกรดตัวเองเนี่ยจะทําความดีมันก็มาทําความดีแต่อยู่ในสเต็ปอยู่ในในตำแหน่งที่มันต่ํากว่า แต่วันดีขึ้นดีเนี่ยเขาขยันมากขึ้นแล้วก็ทําความดีดึงตัวเองขึ้นเกรดอัปเกรดไปสู่ความดีที่มันสูงสง่งเดยอันนี้เนี่ยเขาก็เรียกกันแต่อิบุลเหมือนกันอันนี้เขาไม่ได้กลับจากความชั่วไปสู่ความดีไม่เขากลับจากความดีที่มันน้อยกว่าไปสู่ความดีที่มันเยอะกว่าที่มันสูงกว่าก็าถือว่าแต่อิบุลและสมรับคนกลุ่มนี้นะ เขาจะถือว่าการลดตําแหน่งการลดตําแหน่งของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนทําบาปสําหรับคนพวกเนี้คนที่เขาเคยทําอะไรสูงส่งเนี่ยเขาเคยละหมาดทั้งคืนแล้วก็สุดท้ายนี่มาละหมาดแค่ชั่วโมงเดียวเขาถือว่าตัวเองทําบาปไปเพราะคนพวกนี้เนี่ยเขาจะมอง เขาจะมองความดีไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นบางอาจจะก็โอ้ยนี่แค่ละมาเที่ยมูเลียชั่วโมงหนึ่งอันนี้โอ้อันนี้ขนาดไหนเชียวแต่สาหรับคนนี่หนึ่งชั่วโมงนี่เขาธรรมดาสำหรับเขาอ่ะเขาเขาละหมาดทั้งคืนน่ะพอเขามาถึงจุดชั้นแย่ถึงขนาดนั้นหรออ่เขาจะมองแบบ คนที่เขาบริจาคทุกวันร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทออกมาถึงเวลาที่เขาก็มีนะแต่เขาก็บริจาคบาทหนึ่งสองบาท5บาทเขาก็รู้สึกรู้สึกละอายใจที่ได้ลดความดีของตัวเองนี่จากความสูงมาสูงทำแบบนี้อันนี้ก็ใจบุญอีกระดับหนึง่งลอาบิดูนอาบิดูนคนที่ทําอิบาดะ แต่ทําไมถ้าเราแต่ได้ยินตอออบดีนั้งชื่อกับอาบดีนได้ยินแต่อบดีนใช่ป่ะอันนี้กับอบดูนเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยคนคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาราบะนะพวกเราเนี่ยเวลาจะตั้งชื่อเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็คําไหนที่เจอในคุตตานหรือใช้บ่อยเนี่ย ตั้งชื่อแหละแล้วมีอะไรนะฮะีซิมอะไรอบดินสักอย่างนเขาก็เลยตั้งอบดินรซาีนทาไมไม่มีรซาคูนนะพมีอาญเน่ยอว่าฮว خير ุร์รซาีนรซีนอันนีอันนี้เรื่งจริงแล้วมีคนหนึ่งไปตั้งชื่อลูกสาวนี่ฟาฮดาฟาฮดานี่มันสองค มันตัวฟาแลวก็ตัวฮาดาฮาดาเป็นกริยาด้วยและอาหรับเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่คยตั้งชื่อเป็นกริยาแต่เขาเจออายะวะวะเวะวะตะกัดดอลันฟาดาก็เลยตั้งชื่อฟาดาเนี่ยเป็นแบบนี้แต่โดยหลักการหลัลวกวยากรนะนะก็ต้องตั้งชื่อเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นประธานไม่ใช่กรรมอาบิดีเนี่ยกรรมอาบิดีกรรม อบิ둘นี้ก็คือผู้กระทำไม่บาดาคนที่ทำไอบิบาดาเอ่อถ้าจะแปลแบบกว้างๆผู้สวามิภักดิ์ผู้สักการะผู้จงรักภักดีอภิ둘ไตรุดอร่อยคนทีรร่ทำไม่บาดาและในเนื้อหาของคนทีรร่ทําม่บาดาก็อย่างที่บอกว่ามันไม่เท่ากันคนที่ละหมาดฮวอกตูทุกวันเป๊ะเปะไม่เหมือนคนที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้าง คนที่ละมาดบ้างไม่ละมาดก็ถือว่าอาบิดูนเหมือนกันนะแต่ความเข้มข้นของอาบิดูนเนี่ยมันไม่เท่ากับคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่อุลมาบอกว่าเนื้อหหลักๆข อ, ของคำว่าอาบิดูนเนี่ยมาจากรากทัพ์รกัพ์นี่าบดะอาบาดะไปว่าอะไราบาดะไปว่าทาให้ทำให้ราบ ทำให้ต่ำต้อยมาจากอั บ, บดัตตอริกนี่เวลาจะใช้กริยานี่ส่วนมากใช้กริยาเนี่ยอั บ, บดัตตอริกทำให้ถนนราบต่าต้อยสามารถเดินได้เขาก็บอกว่ามันเป็นอุปมาสําหรับคนที่ทําให้จิตใจของตัวเองสมองของตัวเองเนี่ย สวามีพักต่ออัลลอฮ์นี่แล้วก็มีความต่ำต้อยต่อพระองค์ไม่แสดงความสูงไม่ไฝ่สูงกับอัลลอฮ์สุบฮานะวะตากับอัลลอฮ์นี่ก็ต้องก็ต้องถ่อมตนต่ำต้อยภาษาพานี่เขาเรียกว่าต่อมตนต่อมตนเคยได้ยินไหมภาษาพานี่เขาจะใช้กันให้ต่อมตนยังไงถ่อมตน พอทำไม่บาดาเก่าอัลลอฮ์นี่นะถ้าหากว่าทำไม่บาดาสักครั้งหนึ่งและะ้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเราสูง <laughs> นั่นแหะไอบะ้บาดาเนมันเสือ่อมอย่างน้อย น, นี่นะครับมันก็มีเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์ไม่อคลาสเนี่ยเข้ามาแทรกละเข้ามาเพราทุกคนที่ทำไม่บาดาอย่างแท้จริงเนี่ย อรู้ว่าที่เขาทำนี่เนะี่ยเพราะอัลลอฮ์ช่วยหลยเพราะอัลลอฮ์แต่ด้าหากว่าวันหนึง่งวันใดเขาคิดว่าที่เขาทำไอบาดานนีเพราะเขาเก่งเพราะเขาฉลาดเพราะเขาเขาดีตัวเขาดีท่าแท้เขาดีโอ้ยแต่เขาไม่ดีเขาไม่ทารูปแบบนี้อธิษฐานออนี่นี่มันท่าแท้ของเราเนี่ยเนี่ยสูงแลวมันกระโดดขึ้นแหละไฟสูงถ้ามสูงกาอะไรไฟสูงก่อนรอด ล, ล่ะ เขากำลางทำไมบาดาตอนเราจะไม่รู้บุญไม่รู้คุณของพระเจ้าที่กําลังกราบไหว้พระองค์เหมือนอัลเราไม่ได้ช่วยเหลือให้เราได้มามาทําไมบาดาได้เลยนะอันนี้เนี่ยเป็นอิบาดาที่ขาดคุณสมบัติของไอบาดามันมันไม่ต่ําต้อยละฉะนั้นเร า, าไปดูในความหมายที่มันที่มันลึกซึ้งกว่าเนี่ยก็คือทําไมบาดาทุกชนิดและและรู้สึกต่ําต้อย เชกพูดเขาจะยากหน่อยเอาง่ายๆนะครับทุกไอาบาดาที่เราทำนะเราจะได้ต่ำต้อยแล้วก็ไม่ฝ่สูงทุกไอาบาดาที่เราทำจะละมาจะถือศีลอดจะเสกาดทุกไอาบาดาทำนี่นะในใจเนี่ยคิดไว้ในใจอ ย, ยังไม่พอยังไม่พอพูดกับตัวเองอนะยังไม่พอ คำนี้เนี่ยมันจะหักดิบซึ่งการใฝ่สูงหรือความปรารถนาหรือหรือความคิดว่าขอทําฉันโอ้สุดยอดฉันสุฉันดีแล้วชาวสวรรค์แท้ๆทํำยังไงยังไม่พอคิดว่าแค่นี้จะพอคิดว่าแค่นี้จะเข้าสวรรค์ยังไม่พออันนี้เนี่ยเราจะรู้รู้ตัวเร็วตับ เพ่งอย่าเพิ่งคิดอย่าใยสูงอัลฮามิดุนอัลฮามิดุนผู้กล um ่าวคําสรรเสริญ <ja ก็หมายถึงว่าผู้รําลึกถึงอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى ผู้กล่าวสรรเสริญผู้รําลึกถึงอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى อย่างสม่ําเสมอการรําลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เป็นรูปแบบคลาสิก รูกรุณาสืเสั่นหลคลาสสิกก็คือกาบาทุกชนิดถือว่าเป็นการสเสียัหละหรือการรำลึกด้วยลิ้นหรือด้วยหัวใจกับลิ้นหรือด้วยหัวใจอย่างเดียวอันนี้คือการสื่เสียอันการสื่เสริญแคลาสสิกที่เราทำกันทั่วไป กล่าออสการหลังละหมาดนี่เนี่ยเจ๊กุลเหรอสันเสญอน่นละเหรอหลังละหมาดนี่ <c oughs> ผมใช้คําว่าคลาสสิกเนี่ยจะได้เข้าใจนะ เ, เรียกว่ากา ร, รําลึกถึงอัลลอฮ์การสรนเสือเราแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาทั่วไปการดาลึกแบบพิเศษแบบแบบวิเศษคือการดำลึกถึงอ AH ัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในทุกอารีแบบ อันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนเราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ตามวาระถึงละหมาดกร็รำลึกอัสกาเรียมชาอยา่างนก็รำลึกเข้าห้องน้ำก็รำลึกออกจากห้องน้ำทำนุทนทำนีก็รำลึกตามวาระที่เรารู้ การรำลึกถึง Allah นี่มันไม่จําเป็นต้องรำลึกถึง Allah ตามวาระการรำลึกถึง Allah ตามวาระนี่ถือว่าเป็นผู้รำลึกเราจะถูกบันทึกนะ Allah ว่าเป็นผู้รำลึกแต่ถ้าเรารำลึกถึง a l l a เนี่นอกวาระนอกวาระนี่ก็หมายถึงว่าไม่มีวาระเราก็รำลึกถึง Allah เหมือนท่านนบีมันตกดตัวมามุ s l i m ت ن ي ش ب ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أ ح ي ا ن ي أ ح ي ا ن ن النبي رملت ع ن الله سبحانه وتعالى ن ت ك ل ن ي ك ตลอด ل วลา، ل ลอดก رملت ตลอดเวลา، ذكر الله، ตลอดเวลา، ر ا ن ي د أن ن م أن رملت الله طوال الوقت. ส่องตลอดส่องตลอดตลอดตลอดเวลาถึงแม้ว่าไม่มีวาระของการรำลึกเหมือนอบูบั克ร์รำลึกตลอดเวลาจริงคือลิ้นเนี่ยถนัดที่จะซิกรุลละรำลึกตลอดเวลาถึงขนาดที่ท่านเข้าห้องน้ําเนี่ยต้องเอาก้อนหินนี่มาอมอมไว้เขาจะได้พราะลิ้นมันจะไม่หยุดเขาน้ําไม่หยุดอันนั้นก็ใช่ คือถ้าเป็นแบบนั้นน่ะคือรำลึกอันนี้เนี่ยเราก็จะในสุรอะไรอะอะไรซะ والذاكرين الله ك ث ي ر ا والذاكرة อันนี้รำลึกงเาายแต่ถ้ารำลึกรานี่ก็ ا ك ر ا ك ر ة ال ้งพระนี่รำลึกงเเฉยๆแต่ตมีน รำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ใช่ด้วยการกระดกลิ้นอย่างเดียวรำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยลักษณะการดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยทําเหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันสรรเสริญอัลลอฮฺด้วย ด้วยวิถีชีวิตของมันซุรุตอิสรการัลบะวาว่อิมมินเชยอิลลายุสบพุบิฮัมดีไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเว้นแต่มันสรรเสริญเสารุดีแสดงว่าเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสรรเสริญสัปปสิ่งทั้งหลายเนี่ยแล้วมันสรรเสริญยังไงอมันสรรเสริญตามวิถีชีวิตของมันสัปปสิ่งทั้งหลายเนี่มันไม่ได้มีวรระเหมือนเราอะนะมันจะสรรเสริญสารุดีตลอดเวลา ตลอดเวลานี่คณะสัสิงทั้งหลายนี่มันไม่มีลิ้นไม่มีอะไรนี่มันมันก็ต้องมันก็ต้องทตามวิีชีวิตเาม Allah บอกว่าอฟกูนพวกเจ้านี่ไม่เข้าใจหรอกนนดยังไงเราไม่เข้าใจหรอกในัลบกระ a l บะวอินนมิน ا ل ا لما ل لما ي ش خ م ن ا ل م خ ش الله ก้อนหินเนี่ยมันตกหล่นมาการตกหล่นมานี่คือความเยี่มเกรงของมันนะนี่แค่ก้อนหินเนี่ยมันตกนี่มันกําลังแสดงความเยื่อเกรงนี่อันนี้ส่วนหนึ่งที่ามาบอกกับเรานะและปฏิกิริยาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเป็นภาษาภาษาหนึ่งของมันในการสื่อสรตัวที่เราไม่รู้ก็ได้ เอาละอันนี้คือสรรพสิ่งที่เราไม่เห็นมันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการแสดงการสรรเสริญก้อนหินต้นไม้อย่างเงี้ยมันสรนเสริญยังไงเราไม่รู้แต่สรรพสิ่งที่มีชีวิตที่มันสามารถสรรเสริญเสรดีเหมือนเรานี่อย่างมาลายกาท่านนาบี บ, บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมาลายกาอยู่กลุ่มหนึง่งมาลายกานี่กลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ในทสุดอยูต่ตั้งแต่ถูกสร้างมาเนี่ย จนกียรมาอยู่ท่าสุดูอย่างเดียวอีกกลุ่มนึงถูกสร้างในท่ารูกลัวอย่างเดียวอีกกลุ่มนอยู่ในท่ายืนเกียรนี่หมายถึงยืนแล้วมาเนี่ยืนตนอดจนถึงวันเกียรมาอีกกลุ่มนึงที่ตวะตวันเนี่ยตะวันใบติลมามมดเนี่ยที่อยู่ฝากฟ้านี่เหมือนกาบ้านนี่นะมาเลยก์กาทุกวันนี่ก็จะเข้าเจ็ดหมืนท่านเนี่ยตะวัทุกวันนี่ก็จะเพิ่มเจ็ดหมนทุกวันเพิ่มเจ็ดหมืนไม่มีใครออกนะ ทุกวันนี่เพิ่มเจ็ดหมื่นเหมื่นถึงวันเกียร ม, มาหนิตะว่ากันอย่างงั้นล่ะพวกนี้ทั้งหมดนี่พอวันเกียร ม, มาเกิดขึ้นแล้วเลา ล, ละฟื้นขืนชีพทุกสิ่งทุกอย่างอา้าวมีชีวิตต่อมาเนี่ยพวกมาลายา่าหน่สิ่งแรกที่เขาจะสารภาพเนี่ยที่เขาสู้จูดเขาไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวเขาอยู่ในท่าสู้จูดตลอดนี่นะสิ่งแรกที่เขาจะสารภาพต่อพระเจ้าเานี่ย ตืนมาแล้วในสิ่งได้ในสันเสริญสุมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านเราไม่ได้สักการะสันเสริญพระองค์ท่านเท่าที่ควรที่สูดนี่นะตั้งแต่เกิดจนเกียมานี่นะยังไม่ยังไม่อบานได้เท่าที่ควรนะไม่ยังไม่ได้ทําบาปยังไม่ได้อะไรเนืสําหรับมนุษย์ล่ะทํายังไงให้ชีวิตของเรานี่ เป็นแบบนั้นสรเสริญสรือรดีในทุกอันนี้อันเนี้ยมันมันต้องยากแน่นอเพราะมันระดับสูงแกยากนั่งยืนกินเดินขับรถทํานูน่นทํานี่อยู่ในสภาพที่เสริญเสริญเสรือรดีทอนลอสอันนี้อันนี้ตําแหน่งสูงแน่นอนแต่เวลาถ้าถ้าฝึกฝนนี่มันก็อาจจะอาจจะทําได้แต่อาจจะทําไม่นาน ทำได้ระยะหนึ่งเราฝึกฝนง่ายๆตอนเข้ามัสยิดอย่างเงี้ยตอนอัติก้าอย่างเงี้ยถึงบอกว่าโอกาสที่เราได้ทําไอบาไดาน้นี่เราทําให้มันดีที่สุดอย่างอัติกานี่คืออัติก้าในอัติก า, กกาให้จริงอัติก้านี่ก็หมายถึงว่าเอาตัวนี้มาขังในมัสยิดนี่เอาตัวนี้มาอยู่กับอันนออย่างเดียวแต่แบบเอาตัวมันเข้ามัสยิดไม่อัติกา้าแต่เล่นไลน์เล่นติ๊กต๊อกทั้งวันมันไม่ใช่อัติกาแบบนี้มาอัลติกาแน่นอน หรือไม่าฏิกับแล้วก็ว่างๆจะคอยไปออกไปซิวๆไปไปคุยกับคนนู้นคนนี้อันนี้เอติเอติเกียดคืออ <c oughs> ให้เกียรน <c oughs> <c oughs> ะให้เกียรดกันนะเอจะเกียดฮึ่มแล้หมาดมาทั้งทีเนี่มันก็นิดเดียวอ่ละล่ะแล้วหมานิดเดียวเอาให้เต็มที่เลยดิให้การละหมานี่มันเป็นของอร่อยอย่างเดียว อย่าให้มีอะไรอย่างอื่นมาเข้ามาเข้ามายุ่งก็ในเมื่อเรามาละหมาดเพื่ออัลลอฮายิ่งอุสลลีนี่ชัดเจนนะลิลลาฮิตาอาลายืนยันกับตัวเองขนาดนั้นแล้วนะแต่ก็แต่ก็มีตาอัลาตาตาลาภาษ า, า, าระบามานี่มานี่มานี่อันนี้พอละหมาดแล้ว่นะานาลิกามานี่รถมานี่ มือถือมานี่สร้างบ้านมานี่ตาละตาละตาล ะ, ะตาละาาาลลาตาละว่าตะาาะามนี่มนี่มนี่ก็ลิลลหตาล l l a h ตะตาละผู้สูงส่งตาละนี่ความหมายหนึ่งซาอิฮุนผู้ดเดินทางเพื่อต่อสู้หรือแสวงหาวิชาความรู้อันนี้ก็ถูก การทดสนบของอุลามะส่วนมากตั้งแต่ยุคสัฮาบะและจากนี้และกานักอธิบายหะดีสเป็นต้นมาเนส่วนมากเลยนะเพราว่าอัยไซฮูเนี่ยผู้ถือศีลอดอัยไฮูอันนี้มีหะดีสเจินจากสัฮาบะหลายท่านที่ได้อธิบายซึ่งตั้งสัฮาบะอธิบายเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าการอธิบายของคนอื่นแต่ที่เขาอธิบายเนี่ยซัยไซฮู ผู้เดินทางเพื่อต่อสู้ก็คือพวกจิจฮตพวกมุจยาอีดีนพวกที่ต่อสู้ในของต่างอันนี้ก็เป็นความหมายที่มีชาวซาลัฟมีแต่เพียงท่านหนึ่งเขาได้อธิบายแบบนี้ผู้ที่เดินทางเพื่อแสวงหาความรู้เรียกว่าใส่หุ้นก็มีผู้ที่อธิบายคานี้เนี่ยเป็นแบบนั้นก็มีจริงแต่ทัศนคของอุลมามะส่วนมากเนี่ยเสียห้าเนี่ย เสียห้านี่ก็คือถือสินอดแต่มีเขาแย่งกันเขาบอกว่ามันเกี่ยวอะไรล่ะเพราะคำว่าเสียห้าเนี่ยเสียห้านี่ยป็ว่าเดินทางาออกไปเดินทางบนผืนแผ่นดินต้นสรดตบานีฟาซีฮูฟิลอาร์ดีานมะฟาซีฮูฟิล อ, รอรัรบะตาัชต้องออกไปเดินทางสี่เดือนไปพิจารณาตัวเองว่าตกลงจะเอายัางไง จะรับอิสลามหรือจะต่อต้านอิสลามเอาเอาให้ชัวร์เฟซีฮูไปก็เดินทางไม่ยุ่งนะไมจะ่จะปล่อยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีใครจะไปยุ่งไปสู้รบไปไปสังหารไปนะให้พิจารณาตัวเองซะเะซีฮูคำว่าเซียวเดินทางแล้วว่ามันเกี่ยวอะไรกับการถือศีลอดการมดอาหารเครื่องดืง่มมันเกี่ยวอะไรกับซียวหรือซียห์เเขาบอกว่าคนที่คนที่ถือศีลอดเนี่ย เขาอยู่ระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุจึงทำให้รู้ว่าการถือสิญน์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการงดและการ น, นิ่งเฉยการถือสิญจนนี้ไม่ใช่ว่าเฉยๆไม่ใช่การถือสิญน์เนี่ ย, ม, ยมันมีปฏิกิริยาภายในจิตใจของเราที่กาลังต่อสู้กาลังพิจารณากำลังคิดกำลังไตรตรองอะไรหลายอย่าง และการงดอาหารเครึ่งดื่มความข่ออะไรทั้งทั้งหลายเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายของเราเนี่ยเป้าหมายนี่ก็คือตะกว่าดนะ่นแหละกรมเดก็กตะคุนถึงเราถือสิ้นอดเราก็ต้องถามตัวเองะแล้วกับบรรลุปเป้าหมายได้ป่าไม่หยุไม่หยุดถือสิ้นอดเจอกันหิวไหมส่วนมาอันนี้อันนี้คำคำถามเบสิกของพวกเราเนนในวละเฮ้หิวไหมหิวยัง ถ้าแม่บ้านเอายังเหยวกันเนี่ยไม่คุยมีนะเจอกันตะ ก, กวากันเนี่งมี่ม่มเคยดิ้น ม, มันก็มันก็ไม่คือไม่ถามนี่เพราะอะไรเพราะเพราะเพราะมันไม่ควรจะตอบกันหลักคือเรื่องตะ ก, กวานี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอะไรเรื่องส่วนตัวนี่จะไม่ถามเรื่องตอนไหนยังมีใครจะถามมัน ผมเลิกแล้วครับผม <laughs> ผมเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> ตะกวัวยังก็ะหมายที่หัวสะอาดที่ยังมมันคนเพิ่งทำธุระส่วนตัวล้างสะอาดทียังมันก็คล้ายๆและ่ะถือสิทอดนี่จนแต่ไม่สะอาดเนี่ยมันสะอาดที่ยังอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนส่วนตัวเขาไม่ถามกันหราใครถามใครจะถามเราเนี่ต้องถามตัวเอง อี่ทปัญหาว่าถ้าเราถือสิริแล้วก็ไม่ถามตัวเองแล้วก็ไม่สนใจคือสนใจว่าตั้งแต่ซุโบยันมกริปมีอะไรเข้าไหมเฮ้ยตอนปิแค่หูเนี่ยมันมีน้ำติดอยู่เบาหรือตอนอึอมานี่แล้วก็มันปิอะไรโดนอะไรก็เข้า <c oughs> เหมือนดาม่าที่เดินบวชที่ปัานไปแล้วเนี่ยมีใครอ่านปะดาม่าของคนที่เขาบอกว่าอะไรนะถ้าอุจระไปแล้ว แล้วก็ออกไปส่วนหนึ่งแต่มันเข้าไปอีกทิงินี่มีแต่เรื่องนี้แหละคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวออเข้าออออกเนี่ยว่าเสียบวนเสียบวนเ น, น, นี่ย น, นะตกลง ร, รัมารอลการที่สุดนี่มันอยู่ตรงเคสตรงนี้นะเออเข้าเออออกเนี่ย น, นะแล้วก็เรื่องอื่นนี่ไม่ต้องคุยกันนะเอ็แต่ไอ้ที แกบวชเสร็จแล้วแล้วก็ไปดื่มน้ากระท่อมนี่ไม่มีต๊ะครูพูดเลยนึนไอ้ที่ว่าบอแกบวชตระเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกัญชาสักิดหนึ่งแต่นี่ร้านกัญชาน่ก่อนนไปแถวแห่งหนึ่งมีร้านมุสลิมเยอะมีร้านมุสลิมร้านหนึ่งคุณมีญาบัลเขาเขาขายอะไรวะขายอะไรอะไรที่ฮะลาล่ะไม่ไม่ฮรม แต่เขาเองก็มีมีกัญชาอยู่ด้วยดอกกัญชาเนี่ยมีขายด้วยแถวซอยที่อาหรับเขาชอบไปเที่ยวกันนะอาบนี่เขาสมุนไพรเนี่ยเขาเรียกอาชีพอาชีพดังนี้เนีเขาก็ขายกัญชาเนี่ ย, ยอาชีพสมุนไพรเป็นแหล่งแหล่งกัญชาที่มีกัญชามากที่สุดในแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงว่าถ้ไปโซนของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีกัญชาไปโซนของมันจะเป็นโซนนะนะอแต่ถ้าโซนของอาหรับเนี่ยเปรียบกัญชาเนี่เปรียบเพราะอะไรกาสรุปแล้วอัลสายฮุนับดุษฎีสินอดอื่นบางท่านบอกว่าดุษฎีสินอดทังฟรดูและซุนนะบางท่านบอกว่าดุษฎีสินอดที่เป็นฟรดูอก็หมายถึงว่าเดอรอัลมุต แต่อาศัยคนตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่เดินรทั่วไปแม้ว่าจะเป็นฟอร์ดหรือซุนนาะเนื่องจากว่าการเดินทาง <c oughs> ในภาษาอังกฤษเนี่ยเดินทางบนพื้นแผ่นดินเนี่ยเขาก็เรียกกันเสียค่ะในภาษาพื้นบ้านในปัจจุบันนะ่ะนะภาษาอะไรกว่าภาษาธุรกิจภาษาของปัจจุบันน่ะนะการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทุกชนิดเนะ่ยในภาษาอับดับเนี่ยตอนเนี้ยเขาเรียกกันว่าเสีย ah ทั้งทั้งดีคํานี้เนี่ยในอดีตตั้งแต่อดีตโบราณน่ยตั้งแต่สมัยท่านนบีเนี่ยและก่อนสมัยท่านนบีสมัยศา ส, สนาคริสเนี่ยอับดับเขาเรียกคนที่ออกจากบ้านทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งเมีย ออกจากบ้านเพื่อแสวงหาความจริงศัลธรรมเคารพสักการะพระเจ้าอย่างเดียวมีกินที่ไหนก็กินที่นั่นได้ทําอะไรก็ไม่ไม่สนใจละโลกดุนยานี้เนี่ยไม่สนใจที่จะทำมาหากินจะเขาเรียวกว่าพวกนี้เนี่ยเสียคะก็คือคนที่ออกเดินทางเพื่อคุณธรรมแต่ความหมายนี้มันถูกบิดเลยนะถูกบิดเบือนเลยนะตอนเนี้ยเสียาหา่าในความหมายถึงว่าท่องเที่ยว ท่องเที่ยวนี่ก็ไหว้ิ้งวก็เข้าใจกันเลยนะก็แบบท่องเที่ยวเชิงบันเทิงนะถึงจะได้กว่าเส ah ียฮซึ่งไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปอ่านนะนะถ้าเราไปอ่านเนี่ยบริษัทนี่เสียฮ ah ะไม่ใช่บริษัทเพื่อคุ ณ, ณธรรมนะไม่ใช่นะเสียฮ ah นี่เพื่อท่องเที่ยวนะอ ร, ราคิรูดก็คนที่รูกร้กูอะนะรู้กูนี่ก็คือ ทำท่าโค้งในไอบาดาานี่ซึ่งมันก็อันเดียวของไอบาดาไม่ใช่มันเป็นกิริยาเฉพาะของไอบาดาใช่ถ้าอัลลอฮฺได้พูดถึงบางส่วนของเรื่องหนึ่งเรื่องหด แ, แสดงว่าส่วนนั้นนั้นน่ะมีความสำคัญเฉพาะมากกว่าเรื่องใหญ่การละหมานี่สำคัญแต่รูกวัวนี่จะมีความสำคัญมากกว่าอัสซาดีดล คนที่สุญูดแสดงว่าสุญูดนี่การกราบนี่ก็มีความสําคัญมากกว่าเรื่องไอาบาดาทั่วไปถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงทั้งบรูกูและกันสุญูดคนในกุรอรานี่สองอย่างนี้จะถูกระบุเป็นสัญลักษณ์ของการละหมาดมากกว่าการยืนการยืนในมีมีพูดถึงการยืนวะกูโมวะกูโมลิลลาฮิอัลลอฮิตินยืงงนยืนเคารบ อัลลอฮ์ขอนิตีนด้วยความเคารพเนี่ยยืนแต่ในคุตตานส่วนมากนี่จะพูดถึงการรุกุ๊กการสุญุษยุษยุษยุกยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยอษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุยุษยุษยุษยุษยุษยุษยมษรูษยุษยุษยุษยุษุ้ษยุษยุษยุษยาษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุษยุวย แอลมรู้นะบิลมาโรฟีวันนั้นเพวกมันมาด้วยกันในคุอาตั้งหมดนี่มันมาด้วยกันพร้อมกันเป็นภารกิจที่ต้องทําด้วยกันไม่ใช่การชับทาความดียังเดียวสําหรับความชั่วฉันมียุ่งอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ศรัทธาและไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ศรัทธานี่มีแต่ปราบความชั่วอย่างเดียวแต่ความดี ฉันไม่พูดเห็นใครทำความชั one, end, end, end, the the i, ่วนี่เนี่ยซัดเละแหละทำไมต้องแต่เรื่องทำความดีไม่เคยตักเตือนเขาไม่เคยเชิญชวนเขาไม่ต้องทำทั้งสองต้องทำทั้งสองมีอุลามาด้านภาษาด้านวยากรบางท่านนี่เขาบอกว่าไม่ใช่อ l มีรูน n b i l m a r o o วั w a น a h u u n น n n u กริ والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ت م مات و ن ع و ن عن المنقر والحافظون لحدود الله إقنانين التائبون العابدون الحامدون ميم و ع و ن ا س ن ك ن ا نين التائبون ا ل ع ا ب د و ن ا ل ح ا م د و ن السائحون الراكعون الساجدون ا ل ا م ر و ن بالمعروف ون ตัวนี้มีวาว อ, ลาอัลเลาเขาบางท่านนะ่ะนเขาบอกว่าวาวเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกกันว่ า, ว, าวุฒามานเป็นวาวเป็นวาวแปดแต่พอะไรพบกว่าในภาษาอาหรับเนี่ยบางกลุ่มของอาหรับเนี่ยอัละางท่านบอกว่าโดยเฉพาะภาษาุ่มกุรช ที่คุณอ่านส่วนบ้าถูกประทานมาในสำเนียงของกุเรชเนี่ยกุเรชเนี่ยเขาถือว่าตัวเลขเนี่ยมันจะครบเมื่อถึงเลขเจดเจ็ดนี่คือครบครบแล้วแล้วถ้าจะเริ่มเริ่มนับใหม่นี่ก็ต้องวาวเช่นว่าหัอิสานลอบาะิตบ เราเรียนมาแปดหมาดเหรอครูเรียนหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็และแและเาและสิเขาจะพูดว่ามันก็คล้ายๆภาษาไทยนะคนนี้มาคนนี้มาคนนี้คนมาแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยและอและและภาษาไทยเนี่ยสหรับท่อนสุดท้ายจะและแต่ก่อนนี่จะและและและไม่ได้นะและภาษาไทยและแะ นอกจากว่าในกุฎอ่านเวลาจะแปลนะเขาก็จะมีหลายและหลายและแต่ในภาษาตะวันกหรืภาษาไทยเนี่ยและนี่ยสาหรับอันสุดท้ายเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็นีิว่าอุสมาเนี่ยเพราะก็รู้ว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจลึกลับในกุฎนะอ่านนะเช่นอายานิในสุร์อัลก่าฟี่อาม่าได้เล่าถึงความการถกเถียงของผู้คนในยุคกอ่อนเกี่ยวกับจํานวนชาวทำตกลงชาวทำเท่าไหร่ เท่าไหร่กี่คนบกสยกูลูนะมีกลุ่มอกเสียกูรูนะสาสตุนรับี่ยงหุ่นนี่ะสตุนสามคนรับ่หุมผู้ที่สี่ของเขานี่ก็คือกลบบุหมเสียกูลูนะมีกุมหนึ่งบอกว่าคำสิบุนห้าคนแซดิสุหผู้ที่หกของเขาเนี่ยก็คือสุนักกลบูหมรจมมันเบลไกโดยดากันอาเดากันไม่มีข้อมูล แถ้าซสุดท้ายเนี่ยเรามากระโวยอกูรูนะซาบาตุนมีกลุมจะบอกว่าไม่มันเจ็ดคนนะเขาเจ็ดคนนะว่าซามนุมพอมีเลข8ดแล้วนี่นะมีตัววาวปรากฏแต่ก่อนนั้นนี่ไม่มีซาลาซาตุนรอบิอูมคำซาตุนาดิซุมธมานี่บาตุนว่าาเมนุมแต่เขาเรียกว่าวาวธามานียวาวของ8วาว8ไม่ใช่แค่นี้อัลลอได้บอก ภรรยาของท่านนาบีนี่ถ้าพวกเธอเนี่ยไม่ทําตัวให้ดีนะเด้อเราจะเปลี่ยนนะพวกเธอนี่ยไม่ให้เป็นภรรยาของท่านนาบีแล้วก็จะเอาท่านอื่นมาเป็นภรรยานะแล้วก็จะมีคุณในลักษณะที่ดีกว่าพวกเธออัวะจันเป็นภรรยาที่ไฮยรันประเสริฐดีกว่าพวกท่านนับนะมุสลิมาตินมีคุณลักษณะของ กองภรรยาที่เราจะมาเปลี่ยนให้มาเป็นภรระยาเลยมุสลิมาตินหนึ่งมุมีนาตินสองกอนิตาตินนี่ไม่มีวาวเลยนะกอนิตาตินสามตาอิบาตินสีอาบิดาตินห้าซายิฮาตินหกซายบาตินเจ็วะอับกาโรพอ8แล้วอะนะกลายว่ามีวาววะอับกาโรเออผมก็ จริงด้วยจริงบ้างแตมาดูอีกอันหนึ่งอีกอันนึงในสุรัตอัลซุมาร์อัลลอฮฺได้พูดถึงประตูสวรรค์ประตูนรกที่ถูกเปิดพอพูดถึงประตูนรกว่าซีกลดีนักฟารูอิลาจหันนามักผู้ประจัถูกเกณฑ์ถูกเกณฑ์ซีก็ถูกเกณฑ์ไปสู่ไปสู่ะหันนำซุมารอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มฮัตต่อิฎาแจอูฮะเมื่อได้ถึง จะหันนำแล้วเนี่ยฟุติหัดไม่มีวาานะแต่พอมาพูถึงสวรรค์นะว่าสิ่งเล่านตั้อรบบ์ของอินเอลเจนต์จูมาราชาวโวดียัมกรยงอัลลานีข้าจกเกณฑ์ไปหาพระผู้อภิบาลของเขาเนี่สู่สวรสวรรค์จูมารอจูมาราเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหัตตาอีเดจาอูฮเมื่อได้ถึงประตูสวรรค์แล้วเนี่ยว่าฟุติหั ว่าพุดเอ้ยมีวาวเฉยเลยทำไมประตูนรกไม่มีวาวประตูสวรรค์มีวาวเพราะประตูนรกเจ็ด ป, ประตูสวรป 7, ปรค์แปดก็เลยต้องมีวาวประตูนรกเจ็ดไม่ต้องมีวาวมันเป็นตัวเลขที่ครบอันนี้เป็นทัศนะของนักกวยากรณนักภาษาอาหรับนี่กลุ่มหนึง่งเขาบอกว่าเนี่ยตัววาวเพราะมันเป็นภาษาของกุเรช ตามีอลมาท่านอื่นก็าบอกว่าไม่เสมอไปไม่เสมอไปตัววาวในแต่ละที่เนี่ยมันมีความหมายอื่นที่ที่ที่สอดคล้องกับบริบทของมันไม่เกี่ยวกับวาวแปดไม่เกี่ยวเลยทำไมอ่ะพราเขาบอกว่านี่มาดุณี Allahu tinka l ล k suna umrohu Allahu laddi la ilaha i l l ล h u almalik alqaddus alsalam a l m u m อัลม m u h a i อัลจับบาร์เจ็ดเลน่อัลมุตกบรที่แปดไม่มีวาวอันนี้ก็แปดนะทำไมไม่มีวาวเขาเอาอายานี้เนี่ยเพื่อมายืนยันว่าหลักการของวาวแปดนี่มันไม่เสมอไปแต่ผมคิดว่ามันมันน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าวาวแปดเนี่ยมันเป็นหลักการที่อัลลอ์สุบฮานาอวะดาลาได้คำหนึง เมื่อพระองค์ดำรัดอันคูตอ่านขึ้นมาให้สอดคล้องกับภาษาของท้องถิ่นเป็นไปได้แต่ไม่จำเป็นเสมอที่จะมีเหตุผลของวาวแปดอย่างเดียวหมายถึงว่าเอาสมมติอันนี้ต่ามมาดูอันนี้เขาบอกว่ายาอูฮหะทำไมนรกทำไมพอถูกเกณฑ์ไปนรกเนี่ยไม่มีวาว yeah, uh huh ยาอูฮหะฟุติหัดพอถึงแล้วเนี่ยฟุติฮัเปิดเลยไม่มีวาวอุลมาที่มาเขาบอกว่ามันมี การอธิบายอย่างอื่นว่าทำไมนรกไม่มีวาวทำไมอ่ะเพราะถูกดันกระชากถูกกระชากและกัดดันเข้านรกให้รู้สึกว่ามันไม่มีขั้นตอนเลยหมายถึงว่าถูกถูกกระชากและกัดดันถูกพักเข้านรกโดยที่ไม่มีขั้นตอนไม่ใช่ว่ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูก่อนคืบเข้าเลย มาแล้วก็ปุ๊บดันเข้าเลยผักเข้าเลยแต่สําหรับเรื่องที่มีความสุขกันนะมันต้องเป็นพิธีหน่อยพอถึงสวรรค์นี่นะฮัตตาพอมาแล้วเนี่ยฟูติฮัตเดี๋ยคนนี้ก็เปิดประตูให้เป็นให้สมเกียรตหน่อยอะไรเงี้ยมีเปิดประตูมีพิธีมีอะไรมีเรื่องมีราวยังเดี๋ยวเราบอกว่าบางคนนี่นะก่อนที่จะเข้านี่นะก่อนที่จะเข้าคือเราอยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยเรารีบกูรีบไม่ คือเข้าสวรรค์ชัวร์ไม่ต้องกลัวแต่มันมีพิธีสําหรับคนบางคนนะ่ะนะเดี๋ยวก่อนจะให้มียามสวรรค์ทุกบานในประตูสวรรค์นเนี่ยให้เรียกชื่อให้ยืนนี่นะแล้วก็ยามทุกประตูเนี่ยทุกบานเนี่ ย, นนยให้เรียกชื่อให้คนรู้ทั้งหมดเลยว่านี่คนนี้เนี่ยสามารถเลือกเข้าได้ทุกประตูอันนี้เนี่ยมันมีความสุข เออมันแบบอันนี้ก็ต ah ้องใจว่าฟุติฮัดอบบุฮอบฮาเปิดทิละบานติละบาตเออเหมือนมีมีเวลาที่จะอวดนะอวดดีนะอวดความดีไงในโลกญญาเนี่เราไม่อวดแล้วก็ไปประตูแห่งจิฮัดอ่ไปจะเข้าประตูไม่เอาเดประตูประตูรรยานดีกว่าเราต้องสิ้นอดเฮ้มึงดูดิกูเข้าเฮ้ยเรนไม่เอาไม่เอาเปลีนเปลี่ยนใจเข้าประตูซาบาก้าดีกว่า ออจะมีท oh, ่าด้วยล่ะสบายเลยในโลกดุนยานี้น so like so so ี่ห้ามห้ามอวดนะะแต่ในอัครอนีวดอฟุติฮ <tail> ัดอวัวอวัวเปิทิลบานทิละบานแล้วก็ให้แบบว่าให้มีเวลาให้มีความสุขด้วยการเข้าประตูสวรรค์นี่มันก็มีความสุขเฉพาะของมันจะเข้านรกล่ะกระชากแล้วกระดันเข้าเลยมึงเข้าไอ้พุทไม่ต้องมีเวลาหรอกไม่ต้องมีว้าวก็ไม่ต้องมีนี่วันมาเขบอกว่า มันมีความหมายอื่นของวาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องวาวแปดอย่างเดียวมันมีความหมายอื่นที่มันลึกซึ้งกว่า น, นี้ก็สแสดงว่าอาจจะมีความหมายอื่นที่เกี่ยวกับบริบทของแต่ละอายาที่มีวาวตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ของเรื่องวาวเพราะมันถึงพอพูดถึงเรื่องวันอนานุกคนครมกันอยู่หลังจากนั้นก็มีวาวเพราะเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ อ่ะตรงนี้ที diary, 我 warriors, 我 bond, ่เขาบอกว่าไม่ใช่วาวแปดแล้วนะแล้วทำไมมาเริ่มมาเริ <laughs> ่มม <ix> ีวาวมีวาวนี่แหละเพราะเขาบอกว่าอัตตาอีบูน่ะอาบิดูน่ะฮามิดูน่ะไซฮูน่ะรอฮูน่ะซาจูนสังเกตได้นะว่าแต่ละเรื่องนี้มันต่อเนื่องกันคนที่เต้าบัดตัวต้องทําไิบาร์แตคนที่ทํำอิบารแล้วต้องสเสนอคนที่ทำเสนีอต้องถือสิทธอดคนที่ถือสิทธอดต้องรูกูต้องสุูญแน่นอนแต่แอมิรู้นบิลมาหรูฟวันนะฮูมันเป็นมันเป็นกิจกรรม ที่ค่อนข้างไม่ไม the ่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้แหละถ้าจะอธิบายชัดกว่านี้กิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะบูนัลบิดูนัฮามบิดูนัาเยูนัรักยูนทำคนเดียวได้แต่ลอามิรูนบิลมารูฟวันนาฮูน่ะกลายเป็นพาวอุปธที่ต้องทำร่วมกันทำคนเดียวนี่ยากลอมุรบิลมารูฟ วันน้าอยูันนมุ่งกันนี่ทำคนเดียวนี่ยากฉะนั้นอัลลอฮ์ได้ถือว่าเป็นภารกิจของอุ mma มมอุ mma มมทั้งหมดเลยกุ้นตุมมใครระอุมมาตินทำอะไรอะตะมูรูนะบิลมารุฟเนี่ยทาต้องทำร่วมกันคนที่กำชับทำความดีและปราบปรามและเว้นความชัว่วถ้าทำคนเดียวในสังคมเหนื่อยไหมแต่ถ้าทำเป็นกลุ่มเป็นจมามะกันนี่นะเออมันจะมันจะง่ายลง ฉันเดียวกันวัลฮาฟินล حدود الله ละบรรดาพูที่รักษาขอบเขตของ Allah การรักษาขอบเขตของ Allah นี่มันก็ต้องช่วยกันทาการที่เราจะรักษาขอบเขต Allah ไม่ทาความชั่วไม่ทาบาปและเว้นการทาบาปโดยรวมในสังคมเช่นบอกว่าวัลฮาฟิซุน و د ิ Allah حد ุดขอบเขตคนที่ละเมิดขอบเขตองอ a h เช่นคนที่ทำสีหนา การระงับไม่ให้ล่วงเกินการทำดีนาเนี่ยไม่ให้ทำบาปศีนาเนี่ยคนเดียวนี่ยากก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราคนเดียวไม่จะไม่ทำดินนะ่ะก็ระงับรีตารระงับอารมณ์ปกป้อ ง, องตัวเองทุกอย่างใช่ไหแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับเราผู้หญิงเขาไม่เอาด้วยกับเรา ร้านบันเทิงต่้งหลายนี่เขาไม่เอาด้วยกับเราสื่อบันเทิงตั้งหลายนี่เขาไม่เอาด้วยกับเราเขาชวนเราตลอดเวลาจะได้ทาสีนาเราสามารถระงับตัวเองง่ายไหมไม่ไมันจะยากแต่เราระงับตัวเองแล้วเราจะไม่เล่นการพานันเราจะไม่เราจะไม่ยุ่งกัะดอกเบี้ยแต่ น, นี่จะซื้อบ้านก็มีอยากได้บ้านไหมได้ได้นะดอกเบี้ยอยากซื้อรถไหมไดนะ้ดอกเบี้ย เราจะไม่ดื่มเหล้าเราจะไม่เสพยาเสพติดเราจะไม่ทำอะไรแต่ไปทุกที่เนี่ยเราก็เจอมันก็จะยากฉะนั้นสังคมคุณธรรมเนี่ยในมนภาพของคนที่คิดว่าจะสร้างสังคมคุณธรรมในตัวเขาเองด้วยการที่ไม่ยุ่งกับคนอื่น คนนี้เนี่ยเขากําลังฝันอยู่เขากําลังใฝฝันอ ย, อนอยู่ไม่ได้จินตนาการเรื่องจริงมันไม่มีหรอกอยู่คนเดียวแล้วก็สร้างคุ ณ, ณธรรมในชีวิตของตัวเองมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกนอกจากกรณีที่ท่านนาบีได้บอกว่าพอสังคมนี้มันเละตุ่มเป๊ะแล้วน่ะนะดีที่สุดสําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเอาแพะสักสองสามตัวนี่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงในชนบทนูน่นตามยอดเขาไม่มีคนเลยนะ่ะอันนั้นอาจจะ ในุค a k h ยุคสุดท้ายแล้วนะครก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายถึงว่านบีก็หมายถึงว่าอยู่กับเดรฉาเนี่ปลอดภัยกว่าอยู่กับคนแต่ในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับคนเนี่ยกฎเกณฑ์ที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือต้องช่วยกันตักเตือนช่วยกันปราบปรามความช่วยกันระงับระงับตัวเองในการทําความชั่ว ว่าบัชีริลโมมินีนอันนี้คุณนลักษณะที่สิบก็คือผู้ศรัทธาการที่ศัทธาหมายถึงว่าจงแจ้งข่าวดีจจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องเป็นผู้ศรัทธาที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะได้มีผลลบุญที่เราสุภะนะวต า, าละได้สัญญาไว้อีมานี่ไม่ใช่หมายถึงว่า ศรัทธาในพระเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเรีย ว, ว่าอัลลอฮ์มีหนึ่งพอห น, นั้นก็คือศรัทธาแ น, นั้นคือสูงสุดแล้วและอิเลไฮเราเราสูงสุดของอีมานแต่หลังจากนั้นนะ่ยมีอยู่หกสิบกว่าตําแหน่งที่ท่านนบีได้บอกในบันทึกของบุคอรีและมุสลิมเนี่ยมีหกสิบกว่าตําแหน่งต่ำที่สุดเนี่ยของอีมา ن นะก็คือทําความสะอาดเอาเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ตามท้องถนนเนี่ยของเกะกะนี่เอาเก็บไว้ إيمان ตทุลอัจานของเกะกะนี่เก็บไว้อันนั้นนะ إيمان ช่วยเหลือคนอื่นอีหมานยิ้มแย้มแจ่มใสให้ผู้อื่นเป็นอีหมานีทั้งหมนนี้เป็นอีหมานเราพยายามศึกษาว่าอีหมานในมีอะไรบ้างที่ท่านนายวิว่ามันเป็นความดีมันเป็นส่วนหนึ่งของอีหมานทําไปก็ถือว่าได้เพิ่มอีหมานแล้วถ้าเพิ่มอีหมานนี้ก็จะอยู่ในคุณนลักษณะสิทธประการเนี่ยของบรรดาผู้ที่ทําข้อตกลงกับอัลลอาลตกลงมันกี่ กี่อย่างนะกีย่งนี่ทั้งหมดนี่กี่อย่งเท่าไหร่สิบเอ็ดสิก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอันหนึ่งก่อนหน้านี้อันหนึ่งก็คือถวายชีวิตและทรัพย์สินอันนี้หนึ่งละแล้วก็อายาเนี่ยหนึ่งร้อสิบสองนี่ก็มีสิบสิบอย่างอันที่สิบนี่ก็คือวัตถุเชื่มุู้มินิตทั้งหมดนี่ก็คือ หนึ war, ago, ่งรสิบอนะครับอันนี้นะคืออะห์นึ่งร้สิบสงที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งรสิบอดนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มละเข้าเรื่องของการเป็นมินาล็กอีกรอมหนึ่งแล้วครับอุชาห์ละก็เดี๋ยวถ้ามีชีวิตแล้วก็มีเวลาต่อไปนี่ก็มามาฟังกันอีกที่หนึ่งนะครับอนบิ